บทที่49ปัญญาจักสุในที่สุดเจ้าชายกุนาละจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงทําตามพระบรมราชโองการแห่งพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นใหญ่พระองค์ทรงมีเหตุผลอันสมควรเสมอในการทําอะไรทุกอย่าง และแล้วเจ้าชายก็ให้เรียกเพชฌฆาตมาแล้วสั่งให้ควักพระเนตรแต่ข้าเหล่านั้นประนมมือถวายบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธองค์ทั้งหลายไม่กล้าทำพระเจ้าค่าเพราะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงไม่กล้าทำตรัสถามคนบ้าที่กล้านึกทำลายความงามแห่งดวงจันทร์และรัศมีแห่งดาวเท่านั้น จึงจะ ก, กล้าควักพระเนตรอันแสนงามของพระองค์ให้พ้นจากพระพักพระเนตรของพระองค์งามเหลือเกินพวกเพชฌฆาตทูลดูเถิดแม้แต่เพชฌฆาตผู้ใจเยี่ยมฆ่าคนมามากจิตใจเขาเหมือนจะ ด, ด้านต่อความทุกข์ทรมานของผู้อื่นแต่ก็หากล้าควักพระเนตรอันสวยงามของเจ้าชายไม่พระองค์ทรงมีแต่ความดี ระเนตรของพระองค์เป็นเครื่องประกอบในการทำความดีนั้นทำไมหนอดวงตาของคนชั่วซึ่งมันใช้เป็นเครื่องมือในการทำความชั่วจึงไม่บอดเสียเพื่อมิให้เขาทำความชั่วต่อไปพระพุทธองค์ยังเคยตรัสว่าหากตาหูจมูกกลิ้นและกายจะเป็นสาเหตุให้ทำความชั่วแล้วก็พึงทำลายมันเสีย จริงอยู่อวัยวะทุกส่วนย่อมเป็นที่รักและหวงแหนแห่งเจ้าของแต่วิสัยบัณดิตย่อมรักความดีมากกว่าอวัยวะคติของบัณฑิตมีอยู่ว่าพึงสละทรัพเพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทั้งทรัพย์และชีวิตเพื่อรักษาธรรมดังนั้นเพื่อจะรักษาธรรม คือความพักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระราชบิดาเจ้าชายกุณาละจึงพยายามทุกปีถีทางที่จะให้เพชฌฆาตควักพระเนตรพระองค์ทรงเป็นราชโอรสจึงควรปฏิบัติตามพระบรมราชองค์การเป็นตัวอย่างเพื่อคนทั้งหลายจะได้ดำเนินตามเจ้าชายพยายามอ้อนวอนให้เพชฌฆาตทั้งหลายทำแต่เขาไม่ยอมทา แม้จะเสียชีวิตของเขาก็ยอมแลกเพื่อให้ได้ดวงตาอันงามยังคงอยู่เจ้าชายจึงถอดเครื่องประดับอันล้อยด้วยแก้วและเพชรบนพระเสียนลงส่งให้เพชคาตพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายทาเถิดแล้วนำเอาสิ่งนี้เป็นของรางวัลเพชฌฆาตมองหน้ากันแล้วกราบทูลว่าทูลกระหม่อมผู้สมพระคุณอันประเสรศิฐ อย่าให้กล้าวกระหม่อมทั้งหลายต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเหตุนี้เลยหากทำเพราะเห็นแก่รางวัลด้วยแล้วก็จะยิ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกข์หญ่แ ก, กมม่กล้าวกระหม่อมทั้งหลายกล้าวกระหม่อมไม่ต้องการรางวัลไม่ต้องการสิ่งใดมีแต่จะยอมสละแม้กระทั่งชีวิตหากพระเจ้าอาโศกต้องการเพื่อแลกเอาประเนตรอันเสมือนดวงตาของชาวตักกศิลาทุกคน ไม่มีใครกล้าควักพระเนตรของเจ้าชายโอรสแห่งพระนางปัทรมวดีจึงรับสั่งให้ประกาศไปทั่วนครต ก, กศิลาว่ามีใครบ้างที่กล้าทำตามพระบรมราชองค์การแห่งพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นใหญ่โดยการควักพระเนตรแห่งเจ้าชายกุณาละผู้ครองนครหากผู้ใดทำได้จะได้รับรางวัลอย่างงามเวลาล่วงไปหลายวัน และหลายวันที่ล่วงไปนั้นก็มีแต่เสียงวิพากษ์วิจาร์เรื่องพระเนตรของเจ้าชายทั่วนครเศร้าสลดเงียบเงาทุกคนระทึกใจด้วยเรื่องนี้คอยดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปและแล้วข่าวร้ายอันทุกคนคอยฟังด้วยใจระทึกก็ดังขึ้นมันเป็นเหมือนสายฟ้าฟาฟาดลงกลางกระหม่อมของประชาชนชาวตะกศิลานั่นคือมีบุรุษรูปวิกลผู้หนึ่ง มีปานอันน่าเกลียดที่กายถึงสิบแปดแห่งรับอาสาจะควักพระเนตรของเจ้าชายกุนาละเขาจึงถูกนำไปเข้าเฝ้าทันทีเมื่อเห็นชายรูปอิกคนจะทำร้ายพระเนตรของพระองค์เจ้าชายผู้มีน้ำพระทัยอันประเสริฐก็ต้อนรับเขาด้วยความยินดีและขณะนั้นคำของพระเถราประธานสงฆ์วัดกุกุตารามก็ปรากฏขึ้นในพระทยัย จึงทรงเปร่งพระอุทานออกมาว่าเราได้รู้เหตุล่วงหน้าแล้วจากคำบอกเล่าของพระเถระผู้เป็นกัลยาณมิตรจึงพยายามทําใจอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้ถาวรมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ในขณะที่โลกผ่านไปหมุนไปมันไม่ได้หมุนไปเฉยๆมันทำให้ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตขึ้นอยู่กับการเวลาพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐจึงตรัสว่าการเวลาย่อมกินสรรสัตว์กับทั้งตัวของมันเองกาโลคสติภูตานิสัพพาเนวะสหัตนา คืออายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเสื่อมไปพร้อมกับการเวลาที่ล่วงไปเหมือนกระแสน้ำไหล ย, ย่อมพัดพาเอาสัตพวพ์สิงลอยอยู่ในกระแสน้านั้นให้ไหลเลื่อนตามไปด้วยในที่สุดก็ไปสู่ปากน้าและลงมหาสมุทรสัตว์ที่เกิดมาแล้วทุกตัวตนถูกความแก่และความเจ็บพัดพาไปสู่ปากแห่งมัจจุราช แล้วลงสู่ทะเลคือความตายอันไม่รู้จักอิ่มต่อชีวิตของสัตว์เหมือนทะเลไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำไฟด้วยเชื้อแผ่นดินด้วยการรองรับนาน า, นาสังขารลักษณะสมณะผู้มีศีลผู้เพ่งประโยชน์แก่เราเป็นกาลยานมิตรที่น่าบูชาเซนิกรายเพราะท่านได้ชี้ทางที่ชอบ และสอนให้เรารู้พระสัทธธรรมที่เกี่ยวกับความไม่เที่ยงแห่งสิ่งทั้งปวงความไม่อยู่ในอำนาจของเราแห่งสิ่งทั้งปวงความทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปแห่งสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงพอใจเห็นสมณะพอใจต่อการมาของสมณะพอใจต้อนรับสมณะท่านเป็นผู้ส่องประทีปในที่มืด ให้คนมีจักสุได้มองเห็นรูปพระสัตยธรรมนั้นมีลักษณะให้บุคคลกล้าเผชิญหรือสู้หน้าต่อความเป็นจริงไม่ส่งเสริมให้หลอกลวงตนเองโดยการพยายามหลีกหนีความจริงสิ่งใดเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาพระสัตยธรรมก็ชี้แจงถึงสิ่งนั้นโดยความเป็นจริงจักษุโสตคานะชิวหากายะและมณะนะ เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ถาวรมีอันต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สิ่งนั้นคือจักสุจะต้องเสื่อมไปมาเถิดผู้ทำหน้าที่จงมาควักในตาของเราแล้วใส่ลงในมือเราเราพร้อมแล้วยังไม่ทันที่บุรุษรูปวิกลจะควักพระเนตรพระนางการจะน่ามาลาอัครชายยาของเจ้าชาย ก็ผวาเข้าสวมกอดพระบาทของพระสวามีสือื่นให้น้ำพระเนตรหลั่งไหลาอาบพระพักปิ่มว่าจักรหัดไทยลงแล่ลำพันว่าพระองค์ผู้ประเสริฐดวงเนตรของพระองค์นั้นประหนึ่งดวงใจของหม่อมชันเมื่อพระเนตรถูกทําลายดวงใจของหม่อมชันก็น่าจะต้องแตกทําลายลงไปด้วยอย่ายอมเลยอย่ายอมให้เขาควักพระเนตร เราสองระหกเระเหินไปอยู่ในป่าลำนาวปลายคลุกคลีด้วยสัตว์จตุบททวิปาตอันไร้เล่แมนยาก็จะหาความสุขได้ฉชไหนจึงทรงทนให้บุรุษรูปวิกล น, นี้ทําลายพระเนตรของพระองค์เสียพาดาเอ๋ยเมื่อปราศจากน้ําแล้วความสุขใดลือจะมีแก่ปลาเมื่อปราศจากป่าความสุขใดเล่าจากมีแก่หมูมะลึกเมื่อไร้พลึก ความสุขใดเล่าจะมีแก่พวกปักสีเมื่อปราศจากดวงเนตรอันไร้ราคีของพระองค์แล้วความสุขอันใดเจ็กพึงมีแก่หม่อมชันความปราโมทที่เคยมีก็ดับสิ้นเหมือนเปลวเทียนดับลงเพราะสิ้นไสมิอาจจุดคืนได้อีกต่อไปสิ่งปรากฏณเบื้องหน้าคือความมืดมนพ้นวิสัยที่หม่อมชันจะทนได้ แล้วเสออื่นรำ่ำรำพันอยู่แทบพระยุคลบาทเจ้าชายผู้มีน้ำพระทัยเด็ดเดียวรู้สึกสงสารพระชายาปานว่าจะสลบแน่นิ่งลงตรงนั้นแต่ทรงกลั้นความสงสารไว้ภายในสวงตามวิสัยแห่งบุรุษชาติอาชาในาแล้วตรัสว่า การชนะมาลาเอยอันดวงตานี้เราเคยมีมาได้มาไม่แน่ว่ากี่ชาติกี่ภพที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารแล้วแต่ธรรมของสัตว์บุรุษนานนักเพิ่งจักพบสักครั้งหนึ่งจึงควรเทิดทูนธรรมนั้นเหนืออวัยวะและชีวิตการเสียสละจักสุเพื่อรักษาธรรมมีค่ากว่าการรักษาจักสุ แต่ยอมสละธรรมของบัณฑิตความทุกข์อันเกิดจากการเสียจักรสุนั้นจะทรมานก็เพียงครั้งเดียวชาติเดียวแต่การต้องละเมิดธรรมของบัณฑิตต่างหากเล่าที่จะต้องทุกข์ไปยาวนานเราพร้อมแล้วที่จะยอมเสียจักรสุนี้เมื่อทรงทราบแน่ว่าการอ้อนวอนพระสวามีไม่ได้ผลแล้วพระนางจึงผินพระพักมาตรัสกับบรุษผู้มีรูปวิกลว่า ท่านเอ๋ยขอความกรุณาเถิดในเมืองตักกิลานี้ไม่มีใครกล้าอาสาควักพระเนตรของเจ้าชายเลยใไหนท่านจึงมีจิตใจผิดคนธรรมดากล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าท่านเย่าเห็นแก่สินจ้างรางวัลเลี้ยงอัตภาพแล้วทําลายสิ่งที่คนทั้งเมืองหวงแหนเลยท่านเอ๋ยข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจิตใจของท่านจะวิกลเช่นเดียวกับรูปกาย หากท่านเลิกล้มความตั้งใจครั้งนี้ท่านจะมีความสุขไปตลอดทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าข้าพเจ้าขอเซตเถิดหากท่านไม่ควักพระเนตรของเจ้าชายท่านจะนำข้าพเจ้าไปเป็นทาสข้าพเจ้าก็ยอมพระวาจาของพระนางนั้นประหนึ่งราชรถอุทกให้ตกลงบนก้อนศิลาแท่งทึบมันไม่ได้ซึมซาบลงเลยแม้แต่น้อย เขาคงเงียบเฉยและเตรียมตัวพร้อมที่จะควักพระเนีตรเจ้าชายอะไรหนอททำให้จิตใจของเขาแข็งกระด้างบานนั้นและแล้วเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงเมื่อเจ้าชายตรัสว่ามาเถิดท่านจงควักในตาข้างหนึ่งวางลงบนฝ่ามือของเราจงทำหน้าที่ของท่านบุรุษรูปวิกลทาหน้าที่ของเขา ควักในตาข้างหนึ่งของเจ้าชายกุณาละวางบนฝ่าพระหัตต์เสียงร้องกรีดแห่งพระนางการจะนะมาลาดังลั่นไปทั่วบริเวณแล้วพระนางก็แน่นิ่งสลบไปขณะนั้นประชาชนนับพันพากัน ร, ร้องไห้คล่ำครวญขึ้นพร้อมกันประหนึ่งจักจันเล ร, รายร่ำร้องระ ง, งมดงเมื่อยามย่ำสนธยาความทุกข์ ความคับแค้นความหายนะมาถึงแล้วดูเถิดพระจันท์อันประสาความมัวหมองได้ตกลงมาเสียแล้วดอกอุบลถูกเด็ดออกจากกอเสียแล้วส่วนเจ้าชายกุณาละเมื่อจับพระเนตรข้างหนึ่งไว้ในพระหัตถ์แล้วตรัส ด, ดังนี้นี่หรือตัวเราดวงเนตรเจ้าเอยเจ้านั้นเป็นเพียงก้อนเนื้อชิ้นหนึ่ง ที่กรอกไปมาอันเป็นที่เสน e หายิ่งนักแห่งคนข่าวทั้งหลายเจ้าเป็นเพียงปฐวีธาตุอันอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นบางครั้งดูแหววาวบางคราวดูเศร้าหมองเป็นบ่อกเกิดแห่งพยาธิมีโรคตาเป็นต้นเมื่อใดไม่มีเจ้าแล้วโรคตาจะตั้งลงณที่ใดท่าหลักที่ว่าบุคคลผู้มีสิ่งใดย่อมเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้น เป็นความจริงบัดนี้เราไม่ต้องเดือดร้อนอีกแล้วเพราะเราไม่มีเจ้าคอยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกต่อไปบุคคลเป็นอันมากเดือดร้อนอยู่เพราะจักสุคือเมื่อเห็นสวยงามเพลินตาเกิดสุขเวทนาตันหาความดิ้นรนอยากได้และอุปทานความยึดมั่นในรูปนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อได้แล้วก็จมติดอยู่ในรูปอารมอันทําให้เอิบอาบใจ อากุศลมูลตั้งร้อยอย่างเกิดตา ม, มาเพราะจักสุเป็นเหตุอากุศลมูลนั้นทําให้เกิดโทษในวัฏฏะเป็นความทุกข์สืบเนื่องกันเป็นสายหาความสิ้นสุดได้ยากบัดนี้สาเหตุแห่งโทษในวัฏฏะประการหนึ่งเราได้ละทิ้งเสียแล้วจักสุเอยเจ้าเป็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งในห้าตัวบัดนี้เจ้าได้ตายเสียแล้ว เราจึงหมดกังวลในเรื่องระวังเจ้าไม่ต้องหวาดระแวงว่าเจ้าทำร้ายอีกเราได้เหน็ดเหนื่อยมานักต่อนักเพื่อหาอาหารคือรูปมาปลนเปลือเจ้าซึ่งไม่เคยอิ่มด้วยการดูนั้นเลยบัดนี้เราไม่ต้องหาอาหารให้เจ้าอีกต่อไปเมื่อเจ้าชายทรงพิจารณาอยู่ดังนี้ ได้บรรลุโสดาปฏิพล์แล้วในท่ามกลางสายตาแห่งมหาชนเหล่านั้นเองครั้นพระองค์ได้เห็นอริยสัจแล้วจึงตรัสกับบุรุษผู้มีรูปวิกล น, นั้นว่าจงควักในตาอีกข้างหนึ่งแล้ววางลงบนฝ่ามือของเรา ขณะที่มังสะจักสุทั้งสองของพระองค์ได้สูญสลายไปนั่นเองปัญญาจักสุอันบริสุทธ์ก็เกิดขึ้นจึงตรัสว่ามังสะจักสุอันล่วงให้เกิดความปฏิพัตได้ถูกกล้าออกไปจากข้าพเจ้าเสียแล้วแต่เรากลับได้ซึ่งปัญญาจักสุอันหมดจดซึ่งใครๆจะมากล้าไปอีกไม่ได้ถ้าพระราชบิดาละเลยเราเสีย เราก็จะได้เป็นโอรสของพระธรรมราชาผู้เป็นใหญ่ผู้บริสุทธิ์พระองค์ตรัสต่อไปว่าแม้ข้าพเจ้าจะวิบัติจากความเป็นใหญ่ยิ่งในทางโลกซึ่งมีปกตินําความร้อนใจและความทุกขมาให้เป็นอันมากแล้วก็จริงแต่ข้าพเจ้ากลับได้รับความเป็นใหญ่ในทางธรรมจึงทําลายความทุกข์และความเศร้าเสียใจให้หมดสิ้น ปัญญาจักสุช่างแจ่มจรัสสว่างสวัยอะไรเช่นนี้นี่เองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโสดาปติผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินเลิศกว่าความสุขในแดนสงูงปัญญาจักสุมีอำนาจทำลายความมืดทางใจให้ประลาศนาการปานประหนึ่งดวงอาทิตย์อุไทยทำลายความมืดในราตรี ความสว่างนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งความสงบสุขอันประนีตอันมนุษย์ปุถุชนไม่อาจสัมผัสได้เลยพระสัทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิยณนานิยกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้ออกจากทุกข์ได้จริงพระธรรมช่างล้ำเลิศอะไรปานนี้เจ้าชายผู้มีน้ำพระทัยอันประเสริฐ เสียไปแล้วอย่างหนึ่งแต่พระองค์ได้มาอย่างหนึ่งสิ่งที่ได้มานั้นประเสริฐกว่าพระองค์จึงได้กำไรอย่างมากนี่คือกำไรชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่กำไรที่คนบางพวกหลงเข้าใจผิดยึดถือเอาเป็นกำไรซึ่งที่แท้มันเป็นความชั่วเป็นการขาดทุนอย่างย่อยยับบุคคลผู้ได้แล้วซึ่งธรรมจักสุ หรือปัญญาจากสุดดังกล่าวนี้ย่อมประกอบด้วยธรรมหลายประการเช่นรักษาศีลห้าบริสุทธิ์อยู่ได้ตลอดชีวิตไม่ล่วงศีลห้าแม้ข้อใดข้อหนึ่งมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยเป็นอจฉลศรัทธาใครนำทรัพย์มาล่อกขู่เข็นเอาชีวิตก็ตามก็ไม่อาจกล่าวว่าไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย ได้เห็นอริยสัย์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้แล้วแม้จะยังมีความประมาทอยู่บ้างแต่ก็ไม่ต้องเกิดอีกเป็นครั้งที่แผู้มีปัญญาแก่กล้าย่อมเกิดเพียงครั้งเดียวเอกพีชีผู้มีปัญญาปานกลางเกิดเพียงสองชาติโกลังโกละผู้มีปัญญาอ่อนเกิดเพียงเจชาติเป็นอย่างมาก สตักขตุประมะพร้อมด้วยการเห็นอริยศัสตร์เป็นปฐมทัศนานั่นเองท่านย่อมละกิเลสสามประการได้คือความพยาบาทการทำร้ายตอบการด่าตอบผู้ดา่าคือสักยะทิฏฐิความลังเลสงสัยในพระคุณพระรัตนตรยัยสงสัยในทางแห่งพระนิพพานวิจิกิจฉา การรักษาศีลและประพฤติวัดเพื่อเหตุอย่างอื่นนอกจากความบริสุทธิ์ศีลประตะปรามาตรจากอบายสีคือนาลกเปรตอสุรกายและกำเนิดเดรัจฉานเป็นผู้ไม่ทำอภิธานหกคือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหรันยุยงให้สงแตกสามคีกัน ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อและการไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นพระอริยบุคคลคือโสดาบันนั้นแม้จะยังทำความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจอยู่บ้างก็จริงแต่ท่านไม่ปกปิดความชั่วนั้นเป็นผู้เปิดเผยความผิดพลาดของตนและไม่ซัดความผิดให้ใคร ท่านผู้ได้ธรรมจักสุมีความรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานั้นย่อมเป็นผู้เข้ากระแสรพระนิพพานโสตาปันโนเป็นผู้มีคติเที่ยงแท้แน่นอนว่าไม่ไปอบายนิยะโตจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนสมโพธิประรยะโนโ สำหรับบุคคลผู้มีอัิยาศัยน้อมไปในทางธรรมจะมีอะไรเล่าหน้าปลื้มใจยิ่งไปกว่าได้สมบัติอันล้ำค่าซึ่งเป็นอริยทรัพย์นี้เป็นขุมทรัพย์อันประเสรศิฐโจรลักไปไม่ได้พระราชาริบไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้และไฟไหม้ไม่ได้เป็นสมบัติอันยั่งยืนมั่นคงไม่คลั่งคล่าแตกสลายไป อย่างสมบัติภายนอกทั้งหลายที่มนุษย์มีช่างหน้าปรารถนาอะไรเช่นนั้น